อ <c oughs> ฟังตามกันนะมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเรานี่เรื่องของตัวเรานี่ก็มีกายมีจิตใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับกากับใจก็มากมายที่ว่าธรรมจะพูดในฟัง พิธีปฏิบั ต, ต, ติต่อกายต่อใจก็มีในส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องเราเป็นส่วนที่ถูกต้องที่ปฏิบัติไม่ผิด ต, ต, ต่อกายต่อใจก็มีเยอะแยะตามที่พรุทธองค์ทรงสังสอนไว้ มากมายแปดมืนสีพันเรื่องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อคอยต่อใจ <c oughs> <c oughs> ถ้าปฏิบัติต่อคอยต่อใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์ถึงมากถึงผลจึงมีวิธีปฏิบัติ เราอาจจะปฏิบัติผิดต่อกายต่อใจม า, มากแล้วหรือกินม า, มากแล้วปฏิบัติไม่ผิดคือปฏิบัติอย่างไรตาอพุทธเจ้าสอนก็ตอบไว้ว่าเป็นข้อที่พุทธเจ้าห้าม ให้ทมตามข้อที่พระองค์อนุญาตแล้วก็เคยได้เหนข้อห้ามเยอะแยะได้ได้เหนข้ออนุญาตเยอะแยะเช่นปฏิบัติสํลรวมในอินทรีย์ปฏิโมกสํลรวมสํลรวมในตาหูจมูกด้วยกายใจ ให้ยินดีย็นร่ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกิ่นเลี่ยมลถถูกต้องปัปจุอารมณ์ที่มากระทบกับใจให้มีสติจุดนี้จวดสองผัดดูให้ดีๆจะให้ผิดตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้เขาด้านไปเลย้าเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจ <c oughs> <c oughs> มันก็ไปทางนัน หูทีินเสียงก็พอใจไม่พอใจเกิดยินเสร็จแล้วจะบุกได้ยินลิ่นในรถกาฉัมบัดกี่ใจคิดนึกก็เกิดความพอใจไม่พอใจทำตามความพอใจทำกาดพว่ไม่พอใจนั่นที่ว่าไม่มีอินทรีย์สังวรสมรวมสมบวนสมรวมก็ถวนหนมมา ก็มันมีความพอใจก็ถอนลงมามีสติไม่พอใจก็ถอนลงมามีสติให้รู้สึกตัวลองรับกับการสัมผัสอันนี้ว่าสำรวมในปารติโบกจะเห็นเฉนอนมากนะัก าอาลมณคมเขียนอยากเห็นจนวนมากมากฝกตนสอนตนบุกงงยังางตามวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานก็ชัดเจนอยู่แล้วมีจดีไปในกายเป็นประจาสังกานกายเป็นประจำ กายมันมีสองสองชั้นกายกายนอกหรือรูปคือนาม้าตาสี่ขันธ์ห้า <c oughs> มันเป็นรูปกายในกายจะเกิดขึ้นอีกเป็นกายซ่อนขึ้นมาเช่นสุขเช่นทุกข์อย่างนี้พอใจไม่พอใจอย่างนี้ มันเป็นกายในกายเป็นพบเป็นชาติเป็นขันธ์หน้าที่เป็นอุปาทานไม่ใช่ขันธ์ธรรมชาติขันธวธ ร, รดาขันธ์อุปาทานเยอดมั่นถือมัน่นว่าตัวว่าตนกูพอใจกูไม่พอใจนั่นแหละกายในกายเกิดขึ้นแล้วขันธ์หน้าเกิดขึ้นแล้วเป็นพพเป็นชาติเสร็จแล้วหลงเป็นแล้ว ก็มากมายสิย่งที่มันเกิดกับกายหลายอย่างตาเห็นลู ก, กวเกิดก็ได้ัวที่ยินเสียงเก็บบกได้กินนีน่เลยลดกายสองผัดทางที่เกิดขึ้นกับกายงเยอะแยะฉันพคบเป็นชาติตรงนี้นให้สัมผัดดูดีๆจึงมีวิธีตัดไฟเถียต้นลมถอนหลกมาจะให้รู้จักตัวแล้วกาย เป็นนิมิตเป็นที่ตั้งเพื่อให้มีสติเป็นเจนที่วัดนีสติเป็นในกายสติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจอยาให้เหมือนเถื่อนอยากของพอใจไม่พอใจมาถึงได้ง่ายดูแลตรงนี้สติหัดให้มาไวๆวเตรียมพร้อมจับอาวุธเหมือน เหมือนป้อมปาการมีทหารทหารเฝ้าป้อมปาการประตูเมืองที่ข้าจะเข้ามาไม่มีถั่วพร้อมมาอยู่เร็วๆไวๆอยากให้ข้าถึงเข้าถึงตัวก่อนแล้วข้าจะเข้าถึงตัวก็หมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว สู้ข้าศึกไม่ได้จึงมีวิธีเตรียมพร้อมมีสติไปในกายจะเป็นประจำมีระ่าปลาลบของเพียรจะเห็นเจอนวนมากนักให้ทำอย่างนี้การมีสติมันก็ไม่ได้เดินจงกรมสามชั่วโมงสีชั่วโมงหรือการยกมือสร้างจังหวะนั่งหลังคดหลังหอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้น เราอยู่ที่ไหนก็ลู่ได้คลายนี่าการเคลื่อนเหยื่อเกลื่อยเคลื่อนไหวหายใจคิดนึกยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวได้เรากําหน ด, ดลูด่โดยการลูกอยาให้มันเคลื่อนไหวฟรีๆการเคลื่อนไวของใจ ก, ก็จะแยะอาจะชิดไปโน่นชิดไปนี่การเคล่ไหวความสุขความทุกข์ก็เยอะแยะเกิดขึ้น มันจะจุกเรื่องนั้นทุกตรืงนี้พอใจอนุนพอใจนี่แล้วก็โอกาสแล้วนะให้หลวงพ่อปลอบปาการนิจติไหวๆชั่งหน่อยอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้เฉกตัวเดี๋วพวกอย่างนี้หไหวอย่างนี้หมาหไปไหวอย่างนี้นิจติรู้เฉกระเลิกได้ตาเห็นโูกรูก้เฉกหูได้ยินเสียงรู้เฉ ก, กมันจะคิดขึ้นมาก็รู้เฉก เรม่รู้สึกจะเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโกรธความโลภความหลงหลงก็เป็นหลงทุกก็เป็นทุกโกรธก็เป็นโกรธไปกันใหญ่แล้วปล่อยอย่างนั้นปล่อยตัวทิ้งไปแล้วปล่อยให้ข้าศึกเข้าถึงตัวแล้วแลหลงเป็นหลงข้าศึกเข้าถึงแล้วช่วยดเลยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลกายใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมทุกเป็นทุกข้าศึกเขาถึงทั่วแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วเสียเปรียบความหลงเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบควบลรู้มาเท่าไหร่ไม่รู้จะเข็ดหลาบด้านไปเจอแล้วดื้อด้านไปเจอแล้วไม่อายเลย ให้ความหลงแม้แต่ความคิดก็ยังคิดได้โกรธอยู่ได้ข้ามวานข้ามคืนทุกอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนมันด้านมาเคยชินปฏิบัติธรรมต้องช่วยตัวเองเรื่องนี้ไอ้ยบริสุทธิ์จะให้จริงเหล่านี้มาเปิดื้อนได้ถ้หวังถึงจุดนี้หลงเป็นลู่ถึงไหมเออหลงเป็นหลงยังไม่ถึง ยังไม่แจ้งยังไม่ระเบนลูกอยู่ที่ไหนเรื่องนี้อยู่ประเทศใดอยู่วัดใดเมืองใดใครเป็นคนสนไม่มีมีแต่เรวเรานี่ศสอนตัวเราพอไม่ถึงตรงนี้หลงเป็นลูกเนี่ยถึงแล้วทุกกนลูกเนี่ยถึงแล้วบรรดาบอกในะคราวเดียวกัน ความหลงมาพร้อมกันความไม่หลงรวมทุกมาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์ความโกรธพร้อมกับความไม่โกรธลราไม่ค่อยจะจัดเจนฑ์เรื่องนี้กันก็ไปทางเดียวมันมีสงทางกุศลไปทางหนึ่งอกุศลไปทางหนึ่งดำดํ า, าไปทางหนึ่งทาขาวไปทางหนึ่ง ถ้าหลงเป็นหลงหลวงธรรมดำถ้าหลงเป็นลูห่หลวงธรรมขาวให้เจริญธรรมขาวให้ละธรรมดำเสียหรือละอย่างนี้ให้ลู่อย่างนี้ทำได้ไม่ยากไม่มีใครมาบังครับผิดทิถูกต้องใช้ความถูกต้องชอบธรรมไม่เกิดขึ้นเดี่ยวตัวเองเนี่ยที่ว่า สอนตนเตือนตนแจ้ไขตนดูแลตนนี่คือปฏิบัติธรรมถ้าไม่หัดก็ตายไปเปล่าเปล่าไม่หัดเรื่องนี้ไม่มีค่าเลยรูปทำนามทำนี้ไม่ปีนไม่เป็นที่เกิดของมรรคของผลเป็นที่เกิดขาเอาฉนทำดำําเกิดมืดก็ป่อมืดก็เจ็บเจ็บตายไปเกิดทุกข์เยอะทุ ก, ท ก, ท ก, ทก ความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วอะไรก็ทุกอะไรก็ทุกโดยดื้อด้านตกความทุกข์ไม่อายเลยโกรธให้กันเห็นด่าให้กันได้ยินด่ า, ากันเยอะแ ย, ยะไปเลยเกิดขึ้นเพราะทุกเพราะนามนี้ถ้าเราไม่สอนว่าเป็นพิษเป็นไร ท, ทํำลายตัวมันเองมันก็เป็นพิษ เราจึงมาฝึกหัดมาปฏิบัติทำมาดูแลตัวเองอย่างนี้ให้มันแจ้งให้มันเห็นให้มันแจ้งมันรู้มีสติไม่ในกายมีสติ ด, ดูกายมีสติเห็นกายมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นสิดใจมันคิดพบ่รเลยมามาเข้าแถว มันจุดเดียวประตูมันก็เกูดดีทุกเดียวเห็นหมดไม่ได้ไปศึกษาที่ใดมีสติภระในกายมีสติดูการเคลื่อนไหวให้รู้อาศัยการเคลื่อนไหวที่ว่าสามัชั้นแบพระก็เห็นจิตใจมันคิดที่ว่าจิตตบพะ เอากาเอาจิตนี่เราจับตัวได้โดยไม่ยากสิ่งใหญ่ๆจับมาได้ง่ายๆเหมือนเขาจับชา่างหรือขับเครื่องบินขับรถแมคโคขับรถทรัเตอร์ขับรถเครนยกน้ำหนักสามิตตันเขาเอามือสองนิ้วต่อนั่นต่อ น, นี่นี่เขาบังคับได้ เครืวิทยาศาสตร์อนนี้ศาสตร์ของศาสนาของคิดวิใจิตใจของธรรมะก็มีวิทยาศาสตร์เหมือนกันง่ายๆนี่ว่าวิธีฝึกหันมันทำให้ถูกก็ง่ายเป็นเครื่องทุนแรงเหมือนกันนี่สติดูกาเคลื่อนไหวเห็นใจมันิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ซะรู้ซะรู้ซะลองรู้มันง่ายๆ ความหลงมันยากถ้าไม่ฝึกก็หลงง่ายที่จะหลงทำไมก็มันก็แย่งมันก็แฉงตัวนี้เหระง่ายที่จะหลงฝึกไปฝึกไปง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะรู้มันเกิดชำนาญขึ้นมาได้เพราะเราหัดโตกับเองโดยชิน สติไปในกายมันก็ไปในกายมันหัดมันติดกันได้สติติดกายสติจิตใจสติเป็นเจ้าของสติไม่ปล่อยทิ้งมาเหมือนกับพ่อกับแม่ยิ่งกว่าพ่อกับแม่เป็เจ้าเปรียบเทียบเหมือนพ่อเหมือนแม่สติเนี่ยความรู้สึกระลึกได้เนี่ยถ้าไม่หัดก็ไม่ไม่ไหวนะช้ามาก พ็จะรู้ได้ก็ผิดไปจแล้วนั่งร้องไห้เสียใจอายกันด่ากันได้พอด่ากันขณะที่โวดเวลาหายโอดก็อายกันหรือเสียใจที่ลูกน้อยไม่รู้ไม่เหลียวขาดก็มีพอหายโขดก็เสียใจขขดลูก ผิดพลาดเคยผิดมาแล้วเพราะความโกรธความทุกข์ไม่รู้จักเข็ดหลบับจังมาฝึกให้มันปลอดภัยซะอย่าให้มีภัยเรื่องนี้เกิดขึ้นมีสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลสตินี่มีไปในกายมันเกิดมาเกิดขนให้เหมือนกายธรรมดา เอามันฝึกไปนานๆก็มันก็จำนานขึ้นมาจากสดีก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาปัญญาอย่างลูกง่ายลู่ง่า ย, ายอะไรเกิดขึ้นมาก็ลูกยานมาไหวยานขนส่งเมื่อดเมื่อใดจนปัญญายานมาอีกทะลทะหลวงหมด สิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่เป็นทางไปถูกทาให้เกิดความชอบขึ้นมาเมื่อมีสติไปเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดจุดนี้เป็นจุดทําให้แจ้งบรรลุธรรมก็ บ, บรรลุตรงนี้ไม่ใช่ไปทําวันอื่นเพราะนั่นบนรรลุธรรมเอาดีคนหนึ่งไม่ได้เลย ดีมตัต้องขี้มหาตัวเองไม่อยาี้ไปคนอื่นถ้าเอาดีคนอื่นถูกหลอกได้เอาบุเก่ากับคนอื่นเอาเียคนอื่นมันไม่ใช่ต้องอัตาเหตุอัตโนราฮโถเพิ่งตนผู้ใดสอนในเพิ่งคนอื่นสิ่งอื่นน่นไม่ใช่สัจธรรม ถ้มีใครสอนในเพึ่งตัวเองหรือว่าสัจธรรมพระเจ้าช่วยไม่ได้ถ้าไม่ช่วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเราก็ทำได้ไหมพระเจ้าที่อว่าเดินทางเส้นเดียวกัน เจ้าเดินไปทงนี้ดก็เดินไปด้วยได้ถึงที่เดียวกันแล้วก็ถึงได้เป็นอันเดียวกันเป็นได้แต่ว่าทาได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้ามันทําไปได้ไม่ได้สอนแต่ว่าต้องตัวเองต้องสอนตัวเองเจ้าก็สอนอย่างนี้ ผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมนี่ธรรมก็คืออย่างนี้แหละความหลงมันไม่หลงเพราะความหลงคือมันรู้นะไปทางนี้ความทุกข์เอามาไม่ทุกข์เห็นทุกข์ไม่ทุกข์วกวนเจาะทุกข์กลายเป็นความรู้เนี่ยไปทางนี้พระเจ้าไปทางนี้แยกตัวนี้เริ่มแรกก็เห็นกาย มิติไปในกายมีความเปลี่ยนเครื่องขอ ง, ของจิตเล็ดมีธรรจัญญาถอนความพอใจแล้ความม้ยพอใจในโลกเสียได้อะไไปแล้วทางไปนี้เกิดขึ้นมามีสติเห็นกายอา้าวทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นอ้าวมีสติเห็นสุขเกิดทุกทข์ถรนออกมาอีกมันมีให้เห็นความทุกข์ควาุข บางีมันก็ถ้าสมกับพอสุสขชอบก็ไม่สมกับพงช่างก็ไม่ชอบนั่นะหะหัวหนุกางให้รู้จักตัวเอายากก็ไม่ชอบง่ายก็ชอบทำได้ก็ชอบไม่ได้ไม่ชอบเราจะทำได้หรือเปล่าจะทำถูกหรือเปล่านักปฏิบัติบริชิตแบบนั้นต้องทำได้ อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จากตัวที่หัดเข้มแข็งตรงนี้จึงจะไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าเรื่องเกิดกับจิตขึ้นมาก็เะแย้งมันชิดระวางของจิตคือมันชิดไอ้ความชิดเป็นใหญ่คิดโดยไม่ตั้งใจโดยชิดที่ผงแต่งว่าสังขาร มันอยู่ไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เคยคิดคนมีลูกก็คิดแบบคนมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมียคนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุขคนมีความทุกข์ชุดคิดแบบคนมีความทุกข์คนจนก็คิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยก็เคยทางนั้นความคิดไปได้หลายอย่าง คาลักการเป็นความชังความคนเดียวกันบางทีก็ลักบางทีจเจียดชังมีความชิดอลมก็มาซ่อนตรงนี้เอาดีๆนอนว่ารู่งทำตรงนี้มีสติเห็นการดูการเคลื่อนไหวเห็นใจมันิดเนี่ยเอาตรงนี้เท่านี้ประตูอยู่ที่นี่ ดูคอยเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดรู้เนี่ยไปเห็นไม่ต้องไปมุกมุ่นดูที่ไหนศึกษาที่ใดมันมาให้เห็นมันเกิดขึ้นมาให้เห็นความคิดเกิดได้หลายหลายทางบางทีเวลานอนขาเรื่องมาชิดันละนอนก็ปฏิบัติรู้ทำได้ ในดูเกีติใจตัวองดูได้สุดใจมีชติจะได้หลับสบายถ้าว่าให้คิดกับฝันนอนไม่อิม่มความคิดก็คือความฝันก็ฝันคือความคิดพอเกนก็ว่าฝันรางวัลก็ว่าคิดเติมประวัตความคิดเนิเกิดจากอาการต่างมากมายจะได้คิดดี ไม่มีระเบียบไว้เฉพาะเรื่องโวล่ปไปกันตะเพิดตะเอไปโลดดีๆตรงนี้จุดบรรลุธรรมก็ บ, บรรลุตรงนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้เอินอะไรที่มันเกิดจากความคิดอย่างมากมายถูกมันหลอกมาดังและเอิความคิดถูก ความคิดหลอกบานานแล้วสุขก็คือความชิดทุกก็คือความคิดเราชิดไปห้อยไปสันไวนกับความชิดทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นพอเห็นมันแล้วโดยคิดว่าตั้งใจมานชี้กันมาลู่เนี่ยลู่คิดกันมาที่ไห ล, ลู่หน่ำยอ่อหน่ำบุ่ง ไม่ใช่แบบเปลี่ยนที่อื่นโทษโนโทษนี่ดูดีดีผู้ได้เห็นทำรู้ใดเห็นปฏิจจสมบาทสมุปะบาทก็อยู่ตรงนี้เลยก็มันหลงจึงคิดวพามันคิดมันจึงสูขจึงทุกข์ได้ถ้าม่หลงมันก็ม่มาแต่คิดเพราะมีสติเพราะมันมีสติมันจึง เทื่อนแต่มีสติเป็นดูแลอยู่ก็ไม่เทื่อนมีเจ้าของอยู่เห็นจุดที่มันจะเกิดขึ้นมาป้องกันอยู่ดูแลอยู่การมีสติดูแลเป็นดวงตาภายในมันเป็นหน้ารอบหน้ารอบตารอบล่างรอบมันพากขี้หนาศอกผู้มีสติเป็นวินญาไม่เผลอเลย นหน้าลอกอยู่เพราะชํานานเป็นใหญ่เป็นธรรมแล้วเป็นใหญ่มันเป็นธรรมมาเพียใหญ่แบบว่าธรรมความเป็นธรรมเกิดขึ้นมันจะเกิดเลยรขึ้นตรงนี้ที่ว่าชะเอกว่าใดอันหนึ่งเป้าประตูอยู่วันหนึ่งเข้ามาสติป น, นัยถาวานบาน เหนชาเ็นจับขาหนังคาโอ้มันจู่ๆนี้เลยตื่นเลยตื่นขึ้นมาตื่นก็ตื่นตรนนี้หลับก็หลับตนนี้ถ้าสุกเป็นสุกกันหลับอยู่ถ้าสุกเป็นูู่ตื่นขึ้นมาทุกเป็นรู้ตื่นขึ้นมามันก็ทาอะไรไม่ไดเห็นทุกมันก็งไม่เป็นทุกมันพ้นพ้นจากทุก เห็นความหลงมาก็ไม่หลงพิพ่นจากความหลงเห็นความแส่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพรความแส่ความตายความรู้จึกตัวมันเป็นท ร, ร ม, มันเป็นมรรคเป็นขนหลงรับปัญญาณที่หลงรับรู้ทาน้ำทมนี่มันพัฒนาได้เป็นมนุษย์เป็นพัฒนาได้สัต้นเดินไม่ถึงมรรคถึงผล มนุษย์นี่คนเรานะมันพัฒนาได้แย่ได้เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้ทุกอย่างหลงก็เปลี่ยนไม่หลงได้ทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้โกรธก็เปลี่ยนไม่โกรธได้เป็นเอากุศลที่พึงไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีอากุศลมูลมันไม่ถูกต้องเปลี่ยนกุเป็นกุศลมูลเป็นความถูกต้องมันก็น้ามือหลังมือเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รูปที่น้ําที่กาที่ใจเรานี่ มันจะเกิดความแฉมแฉงเป็นวิปัชนายานขึ้นมาเห็นลูกรุ่ม ก, ก็จะบอกเห็นา้ำน้ำก็จะบอกอาการเกิดเึ้นกับลูกก็มีมากอาการเกิดขึ้นกับน้ำก็มีมากมันจะบอกเช่นไหนเพียงแล้วเกี่ยวกับอาการเกิดกับลูกกับน้มทำเช่นไหนเพียงใด เช่นควาทุกข์บงอย่างกําหนดรูด้วยการรู้ทุกข์บงอย่างกําหนดด้วยการวันเทาทุกข์บงอย่างกําหนดรูด้วยการละบรรเทาม่ได้รู้ไม่ได้ต้องละเลยเปลี่ยนเป็นดันเดินเป็นเลยมันต้องมีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดทุกเกี่ยวกับรู้คนามจ้ำแตคนทุกข์ปะ ติดชิงเสพติดต้องเสพมันนั้นไม่ใช่วันเทาแบบนั้นต้องเลาะพขอย่ามาเป็นชิงเสพติดอารมณ์เป็นชิงเสพติดบันเทาไม่ได้ถ้ากูไม่ได้ด่ามันกูไม่หายโกรธต้องด่ามันก็ต้องฆ่ามันแก้แค้นวันนั่นทำไมไม่ถูกต้องต้องเลาะเด็ดขาดจะชิ้นเวรชิ้นกรรม ความคิดก็ไม่คิดตั้งความไม่ดีอีกแล้วอายอายความคิดที่ไม่ดีอายความหลงอายต่อคิดไม่ใช่อายคนอื่นรูปเหมือนบอกดาวันบอกสิที่เคยเกิดกรูปความไม่เที่ยงก็มีความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วลูกนี้นามนี้ เป็นรูปสมมุติเป็นนามสมมุติเป็นบามบัญญตัติบัญญัติเราเองว่าชอบว่าไม่ชอบมาใช่ปลมาสัจจะเอาเหตุเอาผลส่วนตัวคนฆ่ากันก็เพราะเหตุเพราะผลว่าใช่บัญญัติเป็นธรรมปรมารสัจจะจึงเป็นธรรมเหนือ เป็นความโกรธเป็นสมมุติจึงโกรธแสดงออกความโกรธเป็นทุกข์ปัญญาของตัวใครตัวบ้านเรื่อละมัดสัจจะมันไม่เป็นอย่างน้ำมันจริงมันไม่โกรธความไม่โกรธจิงกว่าความโกรธความทุกข์จึงขวาวความเป็นทุกข์ผมไม่หลงจิงขวาวความหลงละมัดมันมันก็มันก็มามาแบบนี้ในความไม่จริงมันมีความจริงอยู่เช่นความไม่เที่ยง มันก็เป็นทุกข์เอาเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเรื่งคนร่งร้อยอะไรๆจริงที่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ถ้าปรมาจักรความไม่เที่ยงไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะให้เป็นเที่ยงได้ยังไงไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยง ไปได้เลยเอาความทุกมาเป็นทุกความทุกความทุกชื่อว่าความทุกขไปทุกความทุกมันดับเบิ้ลทุกความเป็นทุก์มันไม่ต้องทุกหรือว่าเป็นปรมัตรสัจจะเป็นไปได้ความทุกมาเป็นทุกแม้แต่ความแฉะความเจ็บความตาไม่เป็นทุกเนี่ปรมัตร์มันเป็นอย่างนี้ไปทางดีอย่าให้กบเกลื่อนโดยเอง เปิดออกมาแล้วมันหลงลู้เฉือนกลัวมไม่ดีออกลูน้นแล้วมาทุกขรู้หนิเฉือนออกแล้วได้ได้บริสุทธิ์ได้คมบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาอย่างนี้เราปฏิวัติสมสนุกดีสนุกสนุกเสริมสวยสนุกตกแต่งก้ตามขึ้นน วันเป็นเดือนเป็นปีไปบริสุทธิ์สาดหมดจดต่อต่อขึ้นมาขึ้นสูงขึ้นใช่ว่าจิตก็สูงขึ้นบริสุทธิ์มีศิลมีธรรมสูงขึ้นไหนก็ชิดไหนก็หลงอ่อยความหลงลก็เกิดความบริสุทธิ์เป็นศีนขึ้นมากําจัดที่เลือตามกําลังของสติปัญญา จึงเป็นส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติเอาเองมาเป็นเพื่อนกันจะไม่พาหลงเทศหลงทางมีเพื่อนมีผู้ดูแลมีผู้พูดใน้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นสุขด้วยกันทุกขด้วยกันอยู่เช่นนี้เราไม่ดีวิเศษอะไรต้นไหนเราจะจะบอกความจริงบอกความไม่จริงแก่คนว่าความหลงมาไม่จริง ความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงจะบอกอย่างนี้สิ่งที่เราทุกคนอื่นไม่ทุกข์ก็มีคื่ที่ทานหลงคนอื่นเขาไม่หลงก็มีในโลกนี้อย่าไปตีลวกเขาไปกันแล้วมล่าสมัยถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกโกรธเป็นโกรธเนี่ยว่าสมัยเกิดมานานหรือเกิน ยังยังมุดลงไปอยู่มามืดเราก็จะไปมือดอีกมืดเข้าไปเรื่อยเสียชาติจึงน่าจะเรียบด่วนเรื่องนี้การได้ไวสักหน่อยเลื่องแฉกเรื่อเก็บเรืายก้ามาทุกก้าววันเวลาผ่านไปเท่าไรเอาชีวิตเราไปทท่านั่นหมดไปเท่านั้นเราทำอะไรอยู่ ปันเกินล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มาเถอะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ลาบากกากรรมเท่าไหร่ก็เท่าเท่ากันอยู่นี่พอ อ, อยู่ได้ไม่พุ่มเผยเกินไปไม่เผเกลางเกินไป ออก็มีเท่านี้พูดมาสี่ิบแปดปีก็มีคาพูดแล้วนี้เท่านั้นไม่พูดเรองอืไม่เป็นแล้วขอจบเท่านี้สำหรับวันนี้